<C ül> พระชัมพุกะนี้ตอนที่หลังจากท่านบรรลุนะท่านก็กล่าวไว้ในเทระคาถาว่าเรานี้เอาทูรีและฝุ่นเนี่ยทาตัวอยู่ตลอดห้าสิบห้าปีบริโภคอาหารเดือนละครั้งบอกว่าเพื่อลวงโลกไงนะถอนผมและหนวดยืนอยู่ด้วยขาข้างเดียวงดเว้นการนั่งกินคูดแห้งไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชื้อชนเราได้ทำบา ป, ปรกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุคติเป็นอันมาก เช่นนั้นเนี่ยถูกโอฆ่าใหญ่เนี่ยพัดไปอยู่นะนะถูกกามโมฆ่าเป็นต้นพัดไปใช่ไหมและกรรมก็ก็ทําส่วนของกรรมนะตันหาก็พาเกิดอย่างเดียวในะกรรมที่เป็นเหตุนั้นอนะ่ะก็ไปสู่ทุกคติเนี่ยนะสเสวยทุกข์เดือดร้อนอยู่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอท่านจงดูสารณคมเถิดและความที่ทําเป็นทำดีนะให้เห็นสารณะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้านี้เป็น สารณะที่ที่สูงสุดจริงๆแล้วธรรมะก็เป็นธรรมะที่ดีจริงๆเพราะว่าเป็นธรรมะที่ทำให้ท่านนี่ออกจากทุกข์ได้นะวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้ทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วใช้คำว่ากิจนะก็คือกิจ16กใช่ไกิจ16หในอริยสัจสี่นี้ท่านทําเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เป็นพระอรหันต์ อันอก้กรรมเนี่ยนะก็มันน่ากลัวอย่างนี้แต่ว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ยไอ้ตอนที่ริสยากับมัชเชริยะเกิดแล้วทำกรรมนะมันเดือดร้อนไหมอย่างนั้นไม่เป็นรายนะเพราะมันโทสะเกิดร่วมด้วยเมันไอ้เจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะนะมันสามารถทําบาปได้อย่างไม่บรญยับบรรยังอะไรเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีความยั้งคิดเพราะว่าขณะที่โทสะเกิดขึ้นนะความโกรธนี่ก็ทําให้ไม่รู้อัดไม่เห็นทำอยู่แล้วขณะที่โกรธเนี่ยก็จิตก็ กำเริบอ่ะนะภัยที่เกิดขึ้นในภายในตัวเองก็ไม่รู้ถึงภัยอันนั้นเพรันไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมว่าขณะที่ความโกรธครอบงำํำมันก็มืดอย่างเดียวเลยนึกอะไรไม่ออกเนี่ยนะประโยชน์ต้นก็ไม่รู้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่รู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าด่าถ้าอารหันแล้วมันจะเป็นยังไงและเจตนาที่ด่ามันจะให้บาปให้อันจะให้ผลเป็นทุกขนาดไหนขนาดไหนก็ไม่รู้นะก็ก่อกรรมทําชั่ว ทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากในพระไตรปิฎกนี้ได้กล่าวถึงผู้ที่ทำบา ป, ปรกรรมด้วยอำนาจของเนี่ยมัชชริยะเนี่ยนะตนีที่อยู่เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยอนะเช่นผู้ที่ตนีที่อยู่ทำให้ไปเกิดเป็นเนี่ยเป็นยักษ์เป็นอะไรเนี่ยนะเป็นตนีตระกูลเนี่ยนะทให เรียว่ายากจนอนาถาอาณาไอบาปทั้งหลายที่ทําทำเนี่ยเวลามันให้ผลเนี่ยมันเจ็บแสบปวดร้อนน ะ, นะพระโสดาบันนั้นละริสยาสังโยชน์กับมัชเชริยาสังโยชน์ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะละได้อย่างเด็ดขาดพราะท่านไม่มีความรู้สึกตรณีแม้แต่น้อยเลยทั้นพระโสดาบันนั้นจึงไม่อิ่มในการให้ทานเนี่ยนะไม่ไม่อิ่มในการให้ทานนะท่านมีความสุขกับการให้ด้วยซ้ำไป มีความสุขในการได้ให้นั้นถ้าพระโสดาบันเนี่ยนะสมมติถ้ามีพระพิสุขอุ้มบาดอยู่ต่อหน้าท่านนะบางทีท่านไม่ทานหรอกท่านจะให้ท่านจะให้หมดเลยเนี่ยนะก็อย่างในในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเศรษฐีมีบางท่านที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะท่านจะทานอาหารเนะี่ยเวลาพระมาบินธบาติท่านก็ต้องเอาไปใส่นะเตรียมจะทานอีกก็มีพระมาอีกก็ให้ให้ให้อย่างเงี้ยให้จนแทบจะไม่ได้ฉันอาหารเลย ตอนหลังก็เลยมีการสมมติกันว่าไม่ให้ไปรับอาหารที่บ้านของผู้ที่สมมติว่าเป็นเสขะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าถ้าท่านเห็นแล้วท่านต้องให้อย่างแน่นอนไม่กินอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าจะจะเดือดร้อนกับบุคคลเหล่านั้นไปนนะแต่ในขณะเดียวกันนี้พระโสดาบันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทานในทุกๆศาสนาเพื่อประสงบนะีนไม่ใช่เน ก็ให้ทานในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าให้เพื่อจะสงเคราะห์นะคือการให้ทานนี่มันแบ่งเป็นการให้สองประเภทใช่ไหมคือให้เพื่ออนุเคราะห์ด้วยกรุณาเนี่ยนะก็เหมือนกับให้ข้าวกับเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรทั้งหลายด้วยกรุณาเนี่ยนะอันนี้ก็ให้ด้วยอนุเคราะห์อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อบูชาเพรานการให้เพื่อบูชานี้คือให้แก่ผู้มีคุณธรรมทั้งหลาย ปราลบศีละคุณเป็นต้นแล้วให้การให้อย่างนี้เรียกว่าให้เพื่อบูชาไอ้ส่วนให้เพื่อสงเคราะห์เช่นให้ปลาให้สุนัขให้ไก่ให้อย่างอื่นไปนี่เรียกว่าให้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ด้วยความกรุณาพระโสดาบันเนี่ยถามว่าให้ด้วยกรุณาต่อบุคคลทั่วๆไปท่านให้ไหมให้แต่ให้ด้วยกรุณาแต่ไม่ใช่ให้เพื่อบูชาคุณเนี่ยนะเพราะนั้นถามว่าท่านบริจาคให้กับคนนอกศาสนาไหมให้แก่พวกอาชีวกเดรรถีไหมท่านให้ แต่ไม่ได้ให้เอาบุญให้ด้วยความการุณามันก็เป็นบุญเน่นะแต่ว่าไม่ได้ปรารบทานกุศลอย่างเต็มที่อะไรเนี่ยนะเพราะไม่ได้ให้เพื่อบูชาแต่การใส่บาทของพุทธบริษัททั่วๆไปนั้นถือว่าเป็นการให้ลักษณะให้เพื่อบูชาคุณเนี่ยนะพระอาจารย์ต้องควน่อาย์เนี่ยให้ทานยังหวังอันนิสงหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่เพื่อบูชาคือท่านรู้อันนิสงอยู่แล้วเนี่ยนะ คือเป็นผู้ที่รู้อานิสงค์ของการให้เนี่ยนะอานิสงค์ทงการให้ตั้งแต่ขนาที่ให้ทำให้เป็นทาให้มีชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะคืออานิสงค์งการให้ทานอย่างที่พระองค์ตรัสไว้นะท่านรู้อานิสงค์เหล่านั้นแล้วก็ตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติเป็นต้นท่านก็รู้อานิสงค์แต่ว่าท่านถามว่าท่านยังยินดีในอานิสง์ไหมก็ยังยินดีอยู่เนี่ยนะ พระโสดาบันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระโสดาบันชนิดพระโสดาบันเนี่ยมีหลายประเภทเห็นไหมพระโสดาบันอย่างหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มพระโสดาบันที่ยังเพลิดเพลินในวตฏะนะแต่ก็เห็นอริยสัจแต่ก็ยังเพลิดเพลินในวัฏะอย่างเช่นนางวิสาขาอย่างนี้นะอย่างเช่นอนาถบินทิกะหรือท้าสกกะนะแล้วก็ยังมีเทวดาอื่นอีก день, ก็มีกลุ่มที่ยังเพลิดเพลินในวัฏะแต่ก็เห็นอริยสัจเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นท่านก็ยังเครว่ายังเพลิดเพลินในที่จะได้รับความสุขต่อไปแต่จะมีพระโสดาบันอีกประเภทหนึ่งคือมุ่งจะเจริญวิปัสสนาที่จบับบรรลุคุณชั้นสูงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกนี้ถามว่าท่านให้ไหมให้แต่ให้เพื่อปรุงแต่งจิตเนี่ยนะคือถ้าท่านให้แล้วท่านจะได้เจริญเอาไว้เจริญจาคานุสติเป็นต้นนั่นเอง นะว้เพื่อเจริญจาการนุสติเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาโดยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะเรียกว่าให้เพื่อปรุงแต่งจิตเนี่ยนะคือคิดดูนะว่าวันไหนเราให้ทานบ่อยๆนะคือคือให้ด้วยเจตนาที่สุดจริตใจเนี่ยนะแล้วเจริญกรรมฐานกลับไม่ได้ให้แล้วเจริญกรรมฐา น, เ, รรฐานเนี่ยนะแตกต่างกันเยอะเนี่ยนะ เ, เคยสังเกตอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันถ้าเราได้ให้นะให้โนู่นให้นี่นะให้ให้โดยโดยกุศลจิตเนี่ย แล้วก็มาพิจารณาธรรมะนะจะเจริญกว่าจเจริญกว่าไม่ได้ให้ก่อนเนั้นการให้ลักษณะนี้เรียกว่าให้เพื่อปรุงแต่งจิตเนี่ยนะหรือบางคนที่จะเจริญเมตตานะถ้าให้ทานบ่อยๆจะเจริญเมตตาง่ายกว่าไม่ให้เลยอยา่างนี้ขออนุญาตพิสการครับที่ว่าไม่ให้ไปบิณฑบาตในสำนักของพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันท่านจะให้ทานจนหมดเลยเธอพูดถึงฐานะท่านไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ที่สกุลที่สงสงต้องสมมุติก่อนเขาก็จะมีการสมมุติว่าห้ามไปรับอาหารบิณฑบาตบ้านนั้นนะเว้นแต่เขามานิมนต์เองมาอะไรเองเพราะว่าถ้าไปเนี่ยเขาให้หมดตัวอยู่แล้วเขาก็าไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วด้วยนะอันนี้รวมถึงเฉพาะคารวาส ด, ด้วยพิสุทธิด้วยเหรอที่เป็นโซดาบันคือเฉพาะพระโสดาบันที่เป็นคารวาสที่ที่เป็นทายกเนี่ยนะหมายถึงว่าฐานะเขาไม่ค่อยดีอ่นะแต่ว่าเขาเห็นทาแล้วเขาต้องให้ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าสงก็จะสมมุติกันคือสงสารตระกูลนั้นเขาเดือดร้อนเกินไปก็สมมุติว่าอย่าไปรับประทารที่บ้านเขานะแต่ถ้าเขาต้องการมานิมนหรือเขาเอามาถวายเองอันนี้เรื่องของเขาคเนี่ยนะแต่ว่าอย่าไปบินธบาดีบ้านนั้นกันแล้วกันเรื่องนี้แจ้งอยู่ในพระสูตรเล่มไหนพระเชษฐ์้ำได้ในพระวินัยปิฎกนี่มีพระวินัยปิฎกนะเจนปามาสการขอบคุณครับเจนปามีในพระวินัยเลย ถ้าถ้าโสดาบันเนี่ยท่านใดบรรลุแล้วเนี่ยการสมบูรณนี้ก็แสดงว่าทํานรูคุณธรรมก็มีคนพยากรณ์ก็สองเนี่ยสมมติขึ้นคือถ้าเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปนะอย่างยุคเนี้นะถ้าเป็นแบบหมู่บ้านถ้าจะเป็นท่าที่อยู่ในหมู่บ้านได้หมู่บ้านหนึ่งนะอะก็พอรู้อยู่แล้วว่านะครับคือถ้าหนึ่งเขาเขาศีลดีอะไรดีแล้วก็ให้ทานมากก็ไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วเนี่ย คือคือฐานะก็ไม่ดีแล้วยังให้ไปเมื่อไหร่ก็ให้ทุกทีนะคำนวณว่าจะคว่ำห ม, ม้อให้มาตลอดแบบนี้นะแล้วเขาก็เดือดร้อนเรื่องอาหารซึ่งก็พอจะรู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะก็สมมุติอย่าไปรับบ้านนั้นนะนะคือจากภาพที่เห็นนี่ก็อยู่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเดือดร้อนจริงๆริงเขาเดือดร้อนเรื่องอาหารแต่ปกตินี่ถ้าเขาเห็นภาพพิสูจนะ์ะถ้าเป็นคารวาสเนี่ยเขาเห็นภาพพิสูจน์เขาต้องให้อยู่แล้วนะซึ่งไอ้เขาก็อาจจะยอมอดตายเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเขารู้อันนี้สงแห่งการให้อยู่แล้ว พอเขาพระโสดาบันให้ทานนะจะไม่มีเดือดร้อนใจในภายหลังอันนี้เป็นธรรมดาของพระโสดาบันคือให้ทานจะให้มากให้น้อยให้ไปเท่าไหร่ถึงจะให้แม้กระทั่งให้หมดเนื้อหมดตัวให้แล้วจะต้องอดตายนะท่านจะไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังว่าเพราะให้ท่านจึงเดือดร้อนเนี่ยอันนี้พระโสดาบันจะไม่มีเนี่ยนะเพราะไม่มีมัจฉริยะรู้สึกเสียดายอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นความพิเศษของพระอริยะเนี่ยนะ เพราะว่าท่านถือแล้วบางทีเนี่ยอย่างพระองค์ก็สอนพร ะ, พระเจ้ามหานามะให้ถือว่าทรัพย์ของท่านเนี่ยให้เป็นสาธารณะก่อคงคงคนมีศีลเอาไว้เลยให้ตั้งใจไว้เลยว่าทรัพย์ของท่านเนี่ยเป็นสาธารณะแก่ผู้มีศีลอี่านีถ้าอันนี้พระองค์จะสอนพระโสดาบันเนี่ยนะจะสอนไว้อย่างนั้นให้ตั้งใจเอาไว้เลยว่าเป็นสาธารณะแก่ผู้มีศีลทั้งหลาย แต่ทีนี้เอกที่เห็นคุณของการให้ทานแบบนั้นเนี่ยนะก็อันนี้เป็นเป็นผลจากการเห็นอริยสัจแล้วะทีนี้ถามว่าท่านจะเดือดร้อนไหมเมื่อท่านให้ทานแบบนั้นเราจริงๆอะ่ะเราดูเหมือนท่านเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้เดือดร้อนพระโสดาบันไม่ได้เดือดร้อนเลยถึงจะจนจะรวยท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะท่านมีสุขที่มันดีกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะ คือพระโสดาบันสามารถเข้าพระละสมมาบัตทได้เขาเทียบ ว, ว่าโสดาปฏิผลเนี่ยนะยิ่งใหญ่กว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะเนี่ยเทียบกันไม่ติดอันะผู้ที่สมมุติว่าเจริญฌานเนี่ยนะจนได้เนวสัญญานาสัญญายาตนะเข้าฌานได้อย่างคล่องแทลวกับพระโสดาบันนะก็บอกว่าห่างกันมากเทียบกันไม่ติดเลยเอนะเพราะความเป็นพระโสดาบันเนี่ยดีกว่านั้นตั้งตั้งมากมายเรียกว่า เอาโสดาบันเนี่ยหาม16บหกนะเนะีญญ่ว่าสัญญาณาสัญญายาตนะยังไม่ได้หนึ่งใน16นั้นเลยนะอันนี้คือคุณจากการแทงตลอดอริยสัจนั้นการบรรลุอริยสัจนั้นมีคุณที่ที่ใหญ่มากเนี่ยนะแนะม้นมัเชเ ร, ริยะเอ่อริสยากับมัเชเริยะเนี่ยท่านจึงละได้เด็ดขาดเลยคือไม่รู้สึกว่าท่านริสยาผู้ใดเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้สึกตณีห่วงแหนในวัตถุทั้งหลายเลยแล้วท่านไม่ตรนีแม้กระทั่งคุณในความเป็นพระโสดาบันของท่าน ท่านต้องการให้โลกกับทั้งเทวโลกเนี่ยบรรลุโสดาบันให้หมดโด้วยซ้าไปโดยอัธยาศัยของท่านนะนี่ท่านอยากให้บุคคลอื่นเนี่ยบรรลุในอย่างที่อุบาลีคืหาบดีก็บอกโอ้อ่านะนี่คนหน้าตาบดีก็บอกว่าท่านเนี่ยไปโดนมนต์กลับใจของพระสมณะโคดมมาแล้วอ่านะบอกโอ้มนต์กลับใจอันนี้ดีนักแลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะให้ญาติของข้าพเจา้าทั้งหมดเนี่ยได้มนต์กลับใจอันนี้ให้หมดอยากให้โลกทั้งเทวโลกได้มนต์กลับใจอันนี้เพราะว่า มันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแก่แก่โลกกับทั้งเทวโลกเหล่านั้นนั้ น, น, นท่านไม่รู้สต์นีแต่ท่านก็ไม่บอกใคร น, นะปกติท่านจะไม่บอกใครก็บอกว่าอ่กว่าอันนี้ความมักน้อยในะอธิคมของพระอริยะเนี่ยนะก็ถึงบรรลุ ม, มักผลก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองนี่มีมักผลอะไรคือคือไม่ประสงค์จะเล่าบอกคนอื่นแต่ไม่รู้สตหนี่ในคุณอันนั้น ปรารถนาจะให้คนอื่นเขามีคุณเท่านั้นหรือมีคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ได้นะท่านจะไม่ไม่รู้สึกตนีห่วงแหนอะไรพะอาจารท่านผานผมนึกถึงพระเจ้าข้าสัตว์ที่พระเจ้าลิขิสานที่เป็นประสงฆ์ไดไมพระเจ้าลิขิสารมีคุณมากเพื่อนดูตามรูเพื่อเห็นสอนลูกยังก็ว่าคุยกันง่ายอย่างนั้นเองเอาเถอเดี๋ยวผมจะเลดชวนไปสอนพ่อผมหน่อย ถ้าเก่งขนาดนั้นนะไปคุยคุยกับสงเคราะห์ญาติๆผมหน่อยถ้าเก่งมากยังก็ว่างคุยกันรู้เรื่องทุกคนอย่างนั้นเลยเ่อกับบอกถามพวกการตัวมีความรู้เงี้ยไปสงเคราะห์ญาติๆหน่อยครับเจ้าเห็นหน้าเราพวกหนีไปตั้งนานแล้ว การสงเคราะห์เนี่ยนะบางบบางงกับบางคนเนี่ยก็ไม่ใช่จะสงเคราะห์ง่ายอ่ะนะคือการที่จะเล่าอะไรให้ฟังเลยเนะยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะเนี่ยก็ จริงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่ามันเด็กไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้เองนะจะต้องมาเรียนใหม่อีกอยู่แล้วมันก็เรียนเอาไว้ก่อนให้มันเสร็จนะนะเขาบอกอ้าวเขจะเป็นเด็กมาเรียนอีกแล้วมันก็รีบ เ, เ, เรียนไว้ให้จบชาติหน้าจะได้เรียนเบากว่า น, นี้หน่อยมันะ้งเรียนในตอนนี้อะพอจะพอจะรับรู้เรื่องราวอะไรได้บ้างอนะเพราะว่าใครจะรู้ว่าจะเป็นเด็กพรุ่งนี้ปรือนี้ใช่ไหม มัน ก, ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนั่นและ้วก็สารมาสุการพา ม, ามเกี่ยวกับเรื่องนิพรนตตบุตรนะครับทีว่วมณ์กลับใจนั่นนะครับพรามค์คนไหนที่ไปหาเขาแล้วก็เขากลับใจเป็นฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเขเป็นพระโสดาบันก็ลูกศิษย์เขาเนี่ยถูกกลับใจมาเยอะนี่นั่นนะ ค, คือเขามีลูกศิษย์ใหญ่ๆอยู่หลายคน น, คนี่นะในโรรนาตบุเนี่ย แล้วก็เวลาส่งไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เสร็จกลับมาคือคือเสร็จหมดเลยอ่ะนะมีก็ไปเมื่อไหร่ก็ไปนับถือพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแมมีมนต์กลับใจแล้วเนี่ยนะใครไปก็ไปนับถือหมดอ่ะนะจะไปหาเรื่องก็สมมุตินั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งอย่างอักโกสะพาระทวาชาพรามเนี่ยตั้งใจไปหาเรื่องเลยอ่ะไปถึงก็ไปด่าอย่างเดียวไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นเลยก็ด่าจบอ่ะนะโป่งก็บอกเออด่าพอแล้วยังบอกพอละ ก็บอกว่าคงก็ไม่โกรธอ่ะนะแล้วกนงะก็ถามว่าอา้าวท่านเคยมีแขกมาบ้านไหมเหมือนกันมีเหือนนเอาเคยจัดอาหารเลี้ยงเขาไหมเลี้ยงสิเบอกถ้าแขกเขาไม่กินอาหารนั่ะตกแก่ใครก็ของเราสิเหมือ้กัน<บ>เออที่ท่านดานี่ก็ถึงท่านหมดแหละนะนะ <G ül> ก็เลยสะดุ้งอ่ะนะก็ๆๆกเลยก็เลยกลับใจเลยบวชเลย บวชแล้วก็เป็นผ้าละหารด้วยนะขนาดคนไปหาเรื่องขนาดนั้นนะ่ยนะยังกลับไปนับถือเลยนะไปถวายชีวิตไปถวายหัวให้เพราะฉะนั้นคนที่ก็คิดเอ้เนี่สมณะโคโดมนี่มีมนกลับใจนี่เพราะั้นใครไปหาเรื่องไปจะไปทะเลาะไปอะไรก็ยังไปนับถือกันหมดเลยนะนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะนะท่านใครที่ยังถือตัวเองเป็นเจ้ า, าศาสดาเป็นอะไรอยู่ก็ก็ถือว่าอา้าวเดี๋ยวไปถูกกลับใจอีกไปนับถือคนอื่นเดี๋ยวก็เลิกนับถือเราอย่างเงี้ย น, นะ ก็เลยเรียกว่าอาวัตนีมายาบังอาวัตตานี่ก็แปลว่ากลับนั่นไงมายานะมายาเครื่องกลับใจนะเครื่องกลับใจคนนั่นเองอาวัตนีมายาก<ส>็กลัวพระพุทธเจ้ากลับใจเข้าไ ป, ไปนับถือพระพุทธเจ้า<ส>คือสมยพุทธการเนี่ยนะสมัยที่เป็นการลสมบัติขนาดโดยรวมๆเนยนะขนาดคนไปหาเรื่องกับพระพุทธเจ้ายังไม่ดีเลยบังเอิญเถอะสมัยที่ที่ดีขนาดนั้นเนี่ยนะ ถ้าองคุลมาเนี่ยไล่ข่าพระพุทธเจ้ายังได้ดีเลยนะแต่เว้นไว้คือขอให้เปิดหูไว้รับพระพุทธเจ้าบ้างนะไม่ใช่ว่าปิดอย่างเดียวแล้วหาเรื่องตลอดเนี่ยไม่ใช่นะหมายถึงว่าถึงไปหาเรื่องอนะแต่ถ้ายังตั้งจิตเอาไว้ดีนะตั้งอยู่บนหลักเหตุผลเนี่ยนะไปหาเรื่องกับพระพุทธเจ้าจะได้ดีหมดนะแต่ถ้าเว้นไว้แต่ว่าหลับหูหลับตาไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วหาเรื่องอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ก็รับเละเลยตลอดชาติ แต่ถ้าเป็นปกติทั่วๆไปแล้วก็พระองค์ก็จะแก้ให้เนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นี้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะสงเคราะห์เราสรรพสัตว์อยู่แล้วเนี่ยนะมันตรงไหนที่จะสงเคราะห์ได้พระองค์ก็สงเคราะห์จริงๆแล้วประโยชน์ทั้งหมดที่พระองค์บาเพ็ญก็เพื่อสรรพสัตว์นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเอาส่วนตัวก็เมื่อเสียสงไข่แสนกลับที่แล้วเนี่ยนะก็เจริญกรุณาตัวนี้ไอ้เจริญเจริญพุทธคุณตรงนี้นะดีคือ เห็นชัดว่าชีวิตในใ น, ในวัดตะที่พระ อ, องค์ลำบากมาตลอด4ี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะมันเป็นความลำบากจริงๆแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจริงๆด้วยคือถ้าเหน็ดเหนื่อยตอนเป็นพระตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังพอทํานาอ่ะนะเพราะว่าพระ อ, องค์สามารถเข้าพร ะ, ะสมาบัติได้คือมีความสุขกับการเข้าฌาณสมาบัติเป็นต้นเนี่ยยังได้แต่ว่าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโอ้โหเดือดร้อนทุกทรมานอันนะไปช่วยเขาแล้วเขาตีหัวกลับมาอย่างเงี้ย ไปอย่างชาติที่เป็นลิงเไม่ไปช่วยพระเทวทัตเอาพระเทวทัตก็ตีหัวแตกเลือดโชกเลยนะก็ยังช่วยเขาต่อไปอีกเงี้ยอีกชาติหนึ่งเนี่ยไปเกิดเป็นลิงอ่ะเกิดเป็นลิงอีกชาติหนึ่งก็ไอ้ลิงที่เป็นศัตรูอ่ะนะก็ไม่เหยียบหลังก็จนหลังจะหักให้ได้ก็หลายหลาชาติเนยนะไปเกิดเป็นช้างเนี่ยก็ให้เขาตัดงานเนี่ยนะก็ ต, ตัดตัดตัดจนตัดจนถึงโคนก็ไม่โกรธเขาอ่ะ มัน ก, ก็เดือดร้อนมา ก, ก น, นะทีนี้เราก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในขันห้าที่จะไม่ทําบาปไม่มีฉั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับความที่ท่านไปเกี่ยวข้องกับขันห้ายังอยู่กับขันห้าเมื่อเมื่อเกี่ยวข้องกับขันห้าย่างนี้ก็ต้องคบป่าประมิตรเพราะฉะนั้นท่านก็ทําบาปหลายชาติไอ้ทาบาปอันนั้นก็ทําให้ท่านตกนรกก็ไม่ใช่น้อยนะอย่างเตมีใบยอย่างเงี้ใช่ไหมอดีตชาติเป็นพระราชาอยู่เท่า ไ, ไหร่ยี่สิบปีไ้ย ตกนรกแค่8ปด0 0ื่นปีเองนั่นนะแล้วก็ตกนรก8ปดห0ื่นปีอย่างเงี้ยนะเป็นพระราชาอยู่20ปีส่วนบุญก็บุญแหะบาปก็บาปนะสังสารวัตมันจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมคือโกรธก็โกรธไปบาปก็บาปไปบุญก็บุญไปให้ทานก็ทานไปตันีก็ตันีไปมันก็ผลของกรรมเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาทั้งหมดนั่นแหละมันผู้ใดทาเช่นใดก็จะจะรับเช่นนั้นเนี่ยนะถ้ายังอยู่ในขันห้ายังเกี่ยวข้องกับขันห้าเพราะขันห้าเนี่ยเป็นที่ดูบุญดู ดูบาปอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไปปฏิบัติด้วยอากุศลและจิตกับขันธ์ห้าเดี๋ยวขันธ์ห้ามันจะพ้นพิษให้ถ้าไปทําดีกับขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันก็จะแปลงไปเป็นบุญให้อันนั้นมันแล้วแต่แล้วแต่เกี่ยวขออย้องจรงๆอย่างมหาภูตรูปเนี่ยมันก็คือมหาภูตรูปวันยังค่ําเป็นอภพยากตะถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยกุศลไอเจตนาจะเป็นปัจจัยให้มหาภูตรูปที่ดีเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นถ้าไปเกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปด้วยอากุศล ตอนหลังมหาภูตรูปมันจะเปลี่ยนแปลงพิษมาอีกใช่ไหมสำนวนว่ามีบ้านกับบ้านถูกไฟไหมมันก็มหาภูตารูปอันเดิมนั่นแหละแต่มันเปลี่ยนสีไปนะคือมันพร้อมที่จะเป็นได้หมดเนี่ยนะวัตถุเดียวกันเป็นที่ตั้งแห่งบุญกับอีกคนหนึ่งแต่ก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปกับอีกอีกคนหนึ่งเหมือนกันนี่นะวัตถุเดียวกันเนี่ยอย่างรถยนต์คันเดียวกันอีกคนหนึ่งมีความสุขในการใช้แอีกคนหนึ่งก็ถูกรถคันนี้แหละชนตายอย่างนงี้นนะดังนั้นไอ้รถเนี่ย แล้วแต่ใครจะไปเสวยเนี่ยนะถนนเนี่ยอีกคนหนึ่งโอ้ใช้สอยไปมาสะดวกสบายอีกคนหนึ่งเดินไปถนนหน่อยเดียวรถชนตายไปแล้วอย่างงี้ย น, นั้นก็ถนนที่เดียวกันเนี่ยแล้วแต่อีกคนหนึ่งอ่ะถนนเขาไว้เหยียบใช่แต่เจ้านี่เอาเข่าไปถูถนนย่งงแล้วก็กรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละแล้วแต่เจตนาจริงๆงนะทีนี้คือชีวิตในวะะัดตาเขาไม่ได้มองกันแค่วันสองวันใช่ ผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเขาจะไม่มองชีวิตแค่ชาติเดียวเขามองห ล, ลายสิบชาติหรือมองห ล, ลายพันชาติจนใช้คําว่าสงสารใช้คําว่าสงสารเพราะว่ามันไม่มีเบื้องต้นเลยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้ใช้คําว่าสังสาระตลอดสังสารวัตสังสารวัตเนี่ยนะคือมันยาวมากหรืออีกศัพท์หนึ่งท่านใช้คําว่าทางไกลเนี่ยนะอัฏฐานะเนี่ยคือมันเป็นทางไกลจริงๆไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นคนที่มองการไกลลักษณะนี้เขามองยหลายชาติเหมือนกับนนะแบบแบบชาวโลกทั่ ว, วไปนะใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไม่มองชีวิตแค่วันสองวันเดือนสองเดือนใช่ไหมเขาจะมองชีวิตลหลายๆ10ปีหลายๆ20สิบปี30 ป, ปีเนี่ยนะถ้ายิ่งผู้บริหารแผ่นดินด้วยเขาจะมอง มองประเทศชาติเขามองหลายๆสิบหลายร้อ ย, ย, ยปีเลยว่าควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะมองการไกลฉันใดทางผู้ศาสนาก็มองสังสารวัตฉันนั้นทีนี้ถ้ายังเกี่ยวข้องกับขันห้านะบุญบาปที่ทําไปเนี่ยก็จะสํานวนว่าเลี่ยงยากที่จะไม่รับเนี่ยนะถ้าเดินทางยาวเนี่ยนะสำนวนแตนะ่ค่ายังเดินทางไกลยอยู่แต่ถ้าสิ้นทางเลยนะตัดเส้นทางซะถ้าอย่างงี้ก็เป็นอันจบแล้วว่างั้นเถอะถ้าไม่มีขันห้า ผลบุญผลบาปจะมาให้ผลที่ไหนแต่ก็อดเห็นอีกใช่ไหมมันจะเห็นดีบ้างหรือดีบ้างก็ไม่เป็นไรด้วยอยนี้ไม่เอานะรังเกียจไหมก็ทางการเห็นเนี่ยนะ